รรมบทแปลเรื่องนายทารุสากติกะภาคที่7เรื่องที่218พระศาสดาประทับอยู่ณปราวรุวันทรงปราลรบุตรของนายทารุสากติกะตรัสรธรรมเทศนานี้ว่าสุปปะพุทธังปะพุทธชันติสัทาโกตมสาวกา เยสังทิวาจะรโตจะนิจังพุทธกาตาสติเป็นต้นแปลว่าสติของชนเหล่าใดไปแล้วในพระพุทธเจ้าเป็นนิจทั้งกลางวันทั้งกลางคืนชนเหล่านั้นเป็นสาวกของพระโคดมตื่นอยู่ด้วยดีในการทุกเมื่อเป็นต้นตอนเด็กสองคนเล่นคลุบ ความพิสดารว่าในกรุงราช จ, จุรืมีเด็กสองคนคือบุตรของคนสัมมาทิฏฐิคนหนึ่งบุตรของคนมิจฉาทิฏฐิคนหนึ่งทั้งสองคนเล่นกลุ่มด้วยกันเสมอๆ เ, เด็กสองคนนั้นบุตรของคนสัมมาทิฏฐิเมื่อจะทอดกลุ่มระลึกถึงพระพุทธคุณกล่าวว่านะโมตัสสะ แล้วจึงทอดกลุบเด็กอีกคนระลึกถึงคุณของพวกเดรติกล่าวว่านะโมอรหันตานังแล้วจึงทอดในเด็กสองคนนั้นบุตรของคนสัมมาทิฏฐิเป็นฝ่ายชนะเด็กอีกคนเป็นฝ่ายแพ้บุตรของคนมิจฉาทิฏฐิเห็นกิริยาของบุตรคนสัมมาทิฏฐินั้นแล้วคิดว่า เพื่อนคนนี้ระลึกแล้วอย่างนั้นกล่าวแล้วอย่างนั้นทอดกลบไปจึงชนะเราเราก็จะทำอย่างนั้นบ้างอย่านี้ได้ปลูกฝังในพุท ธ, ธานุสติตอนเด็กผู้เป็นสัมมาทิฏฐิไปป่า ก, กับบิดาต่อมาวันหนึ่งบิดาของเด็กผู้เป็นสัมมาทิฏฐินั้นเทียมเกวียนเพื่อไปหาฟืน ได้พาเด็กนั้นไปด้วยบรรทุกฟืนในดงเต็มเกวียนแล้วครับกลับมาถึงนอกเมืองปล่อยโคไปในที่มีน้ำหาง่ายในบริเวณใกล้ป่าช้าแล้วได้เปิดห่ออาหารออกมากินในที่นั้นโคของเขาเข้าเมืองไปกับหมูโคที่เข้าเมืองไปในเวลาเย็น นายสากติกะก็ตามโคเข้าไปในเมืองพบโคในเวลายเย็นแล้วจูงออกไปยังไม่ทันถึงประตูประตูก็ปิดเสียก่อนที่เขาจะไปถึงดังนั้นบุตรของเขาจึงนอนอยู่ใต้เกวียนเพียงผู้เดียวในความมืดแล้วหลับไปตอนเจริญพุทธานุสติป้องกันอามนุษย์ได้ ในกรุงราชกฤห์ตามปกติมีอมนุษย์มากอยู่แล้วซ้ำเด็กนี้ยังนอนอยู่ใกล้ป่าช้าอีกพวกอมนุษย์ในป่าช้านั้นมาพกเขาเขา้อาอมนุษย์ตนหนึ่งเป็นมิจฉาทิฐิเป็นเสี้ยนนามต่อพระศาสนาอามนุษย์อีกตนหนึ่งเป็นสัมมาทิฐิในอมนุษย์ทั้งสองนั้นอมนุษย์ ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิกล่าวว่าเด็กคนนี้เป็นอาหารของพวกเราเรากินเด็กคนนี้กันเถอะอะมนุษย์ผู้เป็นสัมมาทิฏฐิห้ามเขาโดยพูดว่าอย่าเลยท่านอย่าชอบใจเลยอามนุษย์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐินั้นห้ามไม่ฟังไม่ใส่ใจคำห้ามบราห์มจึงจับเท้าเด็กดึงมาในขณะนั้น เด็กนั้นกล่าวว่านะโมพุทธสัจเพราะตนยึดมั่นในพุทธานุสติอหมนุษย์กลัวมากจึงได้อถอยหลังไปยืนอยู่ตอนอหมนุษย์รักษาและดูแลเด็กผู้นอนในปา่าคนเดียวลําดับนั้นอหมนุษย์ผู้เป็นสัมมาทิฏฐิกล่าวกับอหมนุษย์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐินั้นว่า พวกเราทำสิ่งไม่ควรทำเสร็จแล้วพวกเราจงไถ่โทษตัวเองเถิดจึงได้ยืนคุมครองเด็กนั้นอยู่อัศมุษย์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ้าไปในเมืองเอาถาดอาหารของพระราชาใส่อาหารเต็มถาดนำมาแล้วอัศมุษย์ทั้งสองแปลงเหมือนพ่อแม่ของเด็กนั้นปลุกเด็กนั้นให้ลุกขึ้นให้บริโภคอาหารแล้วจารึก อักษรบอกความเป็นมาไว้ที่ถาดอาหารด้วยอนุภาพของยักษ์โดยอธิฐานว่าพระราชาเท่านั้นโจรทอดประเนตเห็นอักษรเหล่านี้คนอื่นอย่ามองเห็นดง น, น, นี้แล้วจึงได้ลาไปในวันรุ่งขึ้นพวกราชบรุษเออะโวยวายขึ้นว่าพวกโจรลักเอาถาดอาหารไปจากพระราชวางัง จึงปิดประตูทั้งหมดค้นหาเมื่อไม่เห็นในเมืองจึงออกไปหานอกเมืองตรวจ ด, ดูข้างนวนข้างนี้ได้เห็นถาดทองคำบนเกวียนที่บรรทุกฟืนจึงจับเด็กนั้นมาถวายแก่พระราชาด้วยเข้าใจว่าเด็กเป็นขโมยตอนเด็กถูกไต่สวนพระราชาทราบพระเดชเห็นหนักสอนแล้ว จึงตรัสถามว่านี่อะไรกันพ่อเด็กนั้นกราบตูนว่าข้าแต่พระองค์ผู้ส ม, มุติเทพค้าพระองค์ไม่ทราบพ่อแม่ของข้าพระองค์มาแล้วหาอาหารได้กินแล้วได้ยืนคุ้มครองอยู่ตลอดคืนข้าพระองค์คิดว่าพ่อแม่คุ้มครองเราอยู่ดังนี้แล้วจึงไม่กลัวอะไรนอนหลับไปถ้าพระองค์ทราบเพียงเท่านี้ต่อมา พ่อแม่ของเด็กนั้นก็เข้าไปเฝ้าด้วยพระราชาทรงทราบความเป็นไปนั้นแล้วทรงพาคนทั้งสามนั้นไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลความเป็นไปทั้งหมดให้ทรงทราบแล้วตูลถามกับพระผู้มีพระภาควา่าแค่แต่พระองค์ผู้เจริญพุทธานุสติเท่านั้นหรือที่คุ้มครองรักษาได้หรือว่าอนุสติอื่น เช่นธรรมานุสติเป็นต้นก็คุ้มครองรักษาได้พระเจ้าตอนพระศ า, าสดาทรงแสดงฐานะทั้งหกลาดับนั้นพระศ า, าสดาตรัสแก่พระราชา น, นั้นว่ามหาประภิธมิใช่พุทธานุสติอย่างเดียวเท่านั้นที่คุ้มครองรได้ส่วนเราได้อบรมจิตดีแล้วโดยฐานะทั้งหกส่วนเหล่านั้น ก็ไม่จำเป็นต้องรักษาและป้องกันอย่างอื่นหรือด้วยมนและโอสถแต่เมื่อจะทรงแสดงธรรมโหปการจึงได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าสาปพุทธ ja, ังปะพุทชันติชาทาโคตมะสาวกาเยสังที่วาจะรัตโตจะนิจังพุทธะคตาสติ สุปะพุทธังปะพุทธันติสะตาโคตมะสาวกาเยสังทิวาจะรัตโตจะนิจจังธรรมะขาตาสติสุปะพุทธังปะพุทธันติสะตาโคตมะสาวกาเยสังทิวาจะรัตโตจะนิจจังสังฆะขตาสติสุปะพุทธังปะพุทธันติ สัทาโคตมสาวกาเหยสังที่วาจะรัตโตจะนิจังกายคตาสติสุปะพุทธังปะพุชันติสัทาโคตมสาวกาเหยสังที่วาจะรัโตจะอหิงสายะรัตโอมโนสุปะพุทธังปะพุชันติสัทาโคตมสาวกา เยสังทิวาจะรตโตจะภาวนายาโรโตมโนแปลว่าสติของชนเหล่าใดไปแล้วในพระพุทธเจ้าเป็นนิดทั้งกลางวันทั้งกลางคืนชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นสาวกกองพระโกดมตื่นอยู่ด้วยดีในการทุกเมื่อสติของชนเหล่าใดไปแล้วในพระตำมเป็นนิด ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นสาวกของพระโคตมะผู้ตื่นอยู่ในการทุกเมื่อสติของช น, นเหล่าใดเป็นไปแล้วในพระสงฆ์เป็นนิดทั้งกลางวันทั้งกลางคืนชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นสาวกของพระสมณะโคดมตื่นอยู่ด้วยดีในการทุกเมื่อสติของช น, นเหล่าใด ไปแล้วในกายเป็นนิดทั้งกลางวันกลางคืนชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นสาวก ข, ของพระโคดมตื่นอยู่ด้วยดีในการทุกเมือ่อใจของชนเหล่าใด ย, ยินดีแล้วในความไม่เบียดเบียนทั้งกลางวันและกลางคืนชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นสาวก ข, ของพระโคตมะตื่นอยู่ด้วยความดีในการทุกเมือ่อ ใจของชนเหล่าใดยินดีแลเนภาวนาในทั้งกลางวันและกลางคืนชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นสาวกของพระโคตมะตื่นอยู่ด้วยดีในการทุกเมือ่อในบรรดาคาเหล่านั้นคำว่าสุ ป, ปะพุทธังปะพุชันติแปลว่าตื่นอยู่ได้ดีหมายความว่าผู้หลับไปตื่นขึ้นมา โดยมีสติยึดมั่นในพระพุทธเจ้าตลอดเวลาชื่อว่าตื่นอยู่ได้ดีข้อที่ว่าสัทธาโคตมะสาวกกะแปลว่าสาวกของพระโคตมะหมายความว่าชื่อว่าเป็นสาวกของพระโคดมเพราะเกิดเป็นสาวกหลังจากฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าผู้โคตามาโคฏและเพราะเชื่อฟังอนุสาสนีของพระพุทธเจ้า พระองค์นั้นนั่นแหละคำที่ว่าพุทธกตตาสติแปล ว, ว่าสติไปแล้วในพระพุทธเจ้าหมายความว่ า, วาสติของชนเหล่านดปรารบพระพุทธกุลมีว่าอิติปิโสภะกวาเป็นต้นเกิดขึ้นคงอยู่ตลอดกาลเป็นนิดชนเหล่านั้นชื่อว่าตื่นอยู่ด้วยดีในการทุกเมื่อโดยแต่ เมื่อไม่อาจทำเช่นนั้นได้เพียงทำพุทธานุสติไว้ในใจวันละสามเวลาสองเวลาหรือเพียงเวลาเดียวก็ชื่อว่าตื่นอยู่ด้วยดีเหมือนกันคำว่าธาารรมคตาสติแปล ว, วา่าสติไปแล้วในพระธรรมหมายความว่ า, วาสติที่ปรารบพระธรรมคุณมีว่าสวากาโตภกวตาตโมเป็นต้นเกิดขึ้น แปลว่าสังคะคตาสติแปลว่าสติไปแล้วไหนประสงค์หมายกว่าว่าสติที่บรารบพระสังฆ ค, คุณมีว่าสุปัติปันโนภะวะโตสาวกสังโฆเป็นต้นเกิดขึ้นก็ข้อที่ว่ากายคตาสติแปลว่าสติเป็นไปแล้วไหนกายหมายกว่าสติ ที่เกิดจากการพิจารณาตามอาการ32หรือด้วยการพิจารณาสรางศพในป่าชาเก้าอย่างหรือด้วยการกำหนดทาตสี่หรือด้วยการเจริญรูปฌานมีนีละกะสินอันเป็นไปในภายในเป็นต้นชื่อว่าอาหิงสายาะโตแปลว่ายินดีแล้วในความไม่เบียดเบียนหมายความว่า ยินดีแล้วในกรุณาภาวนาคือการเจริญกรุณาตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ว่าพิกษุนั้นมีใจประกอบด้วยกรุณาแผ่ไปตลอดที่หนึ่งอยู่คมว่าภาวนายะแปลว่าในภาวนาหมายความว่าเมตตาภาวนาจริงอยู่ในคาว่าภาวนายะนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า ทวงหมายถึงภาวนาที่เหลือทุกอย่างก็จริงถึงกระนั้นในคำว่าภาวนายานี้หมายเอาเมตตาภาวนาอย่างเดียวเพราะตรัสกรุณาภาวนาไว้ในคตถาท่อนก่อนคำที่เหลือพึงทราบโดยนัยที่กล่าวแล้วในคตถาแรกนั่นแหละในเวลาจบเทศนาเด็กคนนั้นร่วมกับพ่อแม่ดารงอยู่ในโสดาปฏิปล ครั้นภายหลังคนทั้งหมดบวชแล้วได้บรรลุพระอารหันตพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แก่ผู้อยู่ในที่นั้นด้วยแล้วแหลเรื่องนายทารุสากติกะ